Okay. เ, น, เน่พอก็เดี๋ยวลูกพ่อจะเล่าเรื่องทัานต่างๆให้ฟังฟังแบบหวานเจนก็นแล้วกันแต่ก็มีสาระอยู่ก็เอาวิชาน่อฝากหลายเรื่องเรามาเล่าเรื่องใกล้ๆวัดก่นแล้วกันเรื่องแรกจะเล่าก็เรื่องอายุวัตตะแปะ <c oughs> ซึ่งลูกแม่อาจจะเคยได้ยินแล้วพี่เลี้ยงบางคนบัตรท่านอาจจะเคยได้ยินแต่ก็ฝังซัน ก, ก็ได้ไม่เป็นไรเรื่องสบายๆ มีหมู่บ้านมหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านนาโกมีผู้ใหญ่โก้เป็นผู้ใหญ่บ้านวันหนึ่งผู้ใหญ่โกเนี่ยก็นิมนต์พระมาขึ้นบ้านใหม่คือนิมนต์พระกาวลูมาฉันอาหารเช้า ซ, ซึ่งอัแป๊ะที่อยู่แถวนั้นก็มาร่วมงานด้วยเอาส่วนมวลจนเสร็จแล้วก็รับประทานอาหารแล้วก็ให้พรพอตอนตตอให้พรเนี่ยพระก็จะให้พร อายุวัตโกธนวัตทโกศตรีวัตทโกย า, าวัตโกพเนาโกซึ่งอาแป้งฟังอยู่เนี่ยมีความปลื้มใจมากเลยโธ่สไยนี้พายพรเป็นชื่อคืออแป้งเนี่ยจะไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับศาสนาเท่าไหร่ท่านมายากเมืองจีนพอฟังแล้วก็มีความแบบปลื้มใจโอ้อายุวัตโกเนี่ยคือว่าพาให้พาเนี่ยเหมือนอวยพรให้ชื่อโดยตรงเลยชื่อเจ้าภาพอะ่ะ มีเขาแบบพื้นใจมากพอหลังจาเสร็จงานวันนั้นเนี่ยอแป๊ะก็บอกพี่ใหญ่โกช่วยนิมนต์พระก้าวูปนี้ไปไปที่ไปที่บ้านตัวเองบ้างคืรอแป๊ะเนี่ยชอบตองอจิวัตโก้เลแหละห้ามนิมนต์พระวัดอื่นเ็ษขาดขอก้าวูปนี้ด้วยพี่ใหญ่โ ก, ก้เขารับปากพอถึงวันที่อแป๊ะรอคอยมาถึงพระก็พระพระก็มาเจอกับพุทธมนต์ที่บ้าน พอฉันอาหารเสร็จทีพาคายพรพาคายพร อ, อายุวัตโกธนวัตโกสตรีวัตโกยาตวัตโกอแปะฟังดูสะดุ้งมีความสึกว่าอุ๊ยไม่ได้ชื่อโกนะชื่อชื่อแปะชื่อแปะขอให้ขอให้ใหพาที่มาสวดเนี่ยให้พรเนี่ยเปลี่ยนเป็นอายุวัตตะแปะ พระก็รู้ที่ทำไ ง, องเอาอายุวัตรแป๊ก็อายุวัตรแปะ๊ะก็เลยต้องสวดอายุวัตรแปะ๊ะภาววัตรแปะ๊ะคดีวัตรแปะ๊ะไปจนจบอันนี้มีการเข้าใจผิดแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ใกล้เคียงกันเรื่องนี้ที่วนเนนี้คง ม, ม่เคยได้ยินหรอกเดี๋ยวหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังมีคุณนายอยู่คุณนายอีกคนหนึ่งชื่อว่าคุณนายโตเป็นเมียนายตำรวจคุณนายโตเนี่ยจะสนิทกับพระภูมิอยู่วัดหนึ่งซึ่งพระภูเนี่ยจะมา มีตาบา้าหน้าบ้านทุกเช้าคุณนายโตไปส่ายบ้าแล้วพูดเกยกันพอถึงวันเกิดคุณนายโตก็นิมนต์พระภูเนี่ยมาทาบุญวันเกิดประสวัติุทธมนฑลด้วยความพระภูนคุยกันสุขกรนานถึงช่วงให้พรเวลาพระภูให้พรคุณนายโตะนะพระครูก็ขึ้นว่ายาท้าวณีวหาบูราปาริภูเลนตีสาขรังเอวาเมวา อีโตทินางเพราะว่าคำว่าอีโตเนี่ยพระครูเลื่อนนานไปหน่อยคุณนายโต้ฟาปุ๊บไม่พอใจเพราะมีความรู้สึกว่าเมื่อกี้พระครูทํานี้ได้ไงเมื่อกี้ยังเรียกคุณนายโตอยู่เลยพอฉันอาหารแล้วมันเรียกอีและเสียบรรดาศมากแล้วแกไม่ฟังนะแกะโกรธพระครูแล้วก็ลุกจากที่นานไปเลยไม่มีการเจรจาใด้ทั้งสิ้นแล้วก็เลิกนิมนต์เริกตักบาตรพระวันนี้ต่อไป แล้วพอถึงวันเกิดปีหน้าคุณคุณนายโตก็ไปนิมนต์เจ้าคุณมาจากวัดอื่นเจ้าคุณก็เดินทางมาถึงมาร่วมมร่วมงานวันเกิดก็คุยกันเจ้าคุณก็ถามคุณนายโตว่าทำไมไม่ได้มนต์พักใกล้ๆพักครูอยู่ไหมคุณนายโตก็บอกว่าไม่ไหวพักครูเนี่ยพนรับประทานอาหารเสร็จก็เรียกใช้อิโตซึ่งฉันแน่เอาแล้วเลิกคบขาสมาคมด้วยแล้ว ภาวะ น, นี้ไม่ไหวมารยาทแย่เจ้าคุณก็รู้เจ้าคุณก็รู้ว่าข อ, อไปอย่างนี้นี่เองแล้วพอเจริญพุทธบนเสร็จถึงตอนจะให้พรเจ้าคุณก็ยาทาวรีวหาปูลาปาริภูเรนตีสาคาลังคุณนายโตทินนานงเตยานางคุณนายโตดีใจตบมือปะ่ะมันต้องอย่างนี้สิ นี่คือความเข้าใจผิดนะซื่งบางคนเนี่ยอาจจะหลงตัวเองมากมีกามัิดว่าจะต้องถูกใจเราถ้าไม่ไม่ได้รังใจเราเนี่ยเราจะมีปฏิญาณตรงข้ามเลยอาลุณเณรฟังเดี๋ยวเล่าเรื่องต่อไปเรื่องเรื่องนี้ยังไม่ได้เป็นเรื่องฟังเล่นๆ เ, เปิดหวยเฉยสาละอยู่เรื่องต่อไปเรื่อยๆมีเรื่องหนึ่ง มีหลวงตาอยู่วัดหนึ่งท่านเห็นลานวัดสกปรก้ากมีใบไม้ร่วงอยู่เต็มเลยเรียกเจ้าแก่ซึ่งเปเด็กวัดมาช่วยฝาดใบไม้แล้วหลวงตาที่เป็นเจ้าวาดก็ออกไปเจอมบาบตรหลวงตาบิตบาตรกลับมาแล้วเจ้าแก่ยังไม่ได้ฝาดใบไม้เลยใบไม้ยังเหมือนเดิมหลวงตาว่ถามว่าเจ้าแก่ทําไม่ฝาดใบไม้หลวงตาครับฝาดแล้วเดี๋ยวมันก็ร่วงอีกมันก็ไม่เกี่ยงหรอฝาดไปก็ร่วงพูดไปฝาดดีกว่าหลวงตาก็ไม่ว่าอะไรนะ อีกชั่วโมงหนึ่งผ่านไปทานอาหารเช้าพ้านอาหารเสร็จแล้วก็ถึงเท้าเด็กวัดฉันม้างให้กินมากรับประาทานเด็กวัดก็เด็กวั ด, เ ด, วดเด็กวัดก็ยกปีนโตสํำรับมาร่วมวงหลวงตาก็พูดด้วยเสียงงดังเจ้ากแก่เองไม่ต้องเองไม่ต้องกินข้าวเชาว้าเจ้าแก่ก็บอกอา้าวหลวงต า, าไม่ไปกินข้าวผมก็หิวแย่สิหลวงตาบอกถ้าเองกินเดี๋ยวมือเพลมือเพล เ, เองก็หิวอีกเพราะว่าเจ้าแก่ แน่นอนลูกนี้จะทํางานเพราะว่าเราจะต้องอย่าเป็นแบบเจ้าแก่เราทําทุกวันช่วยฝาดถูลาลาตอบแทนบุญคุณของวัดญาติโยมที่เลี้ยงข้าวเราเราต้องขยันอย่าทําตัวเจ้าแก่นะเจ้าแก่ไปถึงที่ไปดีขี้เกียจตั้นตั้งต่งนั้นมานะเจ้าแก่ก็เลิกไม่ทำหลวงตาเนี่ยให้ฝาดไม้เจ้าแก่ต้งฝาดจนส ะ, ดสะอาดเลยไม่กล้าขัดคำสั่งแล้วเพราะเดี๋ยวหลวงตาให้อดข้าวอดจริ ง, รงๆถือเป็นการลงโทษ อ่ะต่อไปเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปนี่เป็นเรื่องคนเหมือนกันเรื่องที่เกิดขึ้นในสมยัยกรุงศรีอยุธยาวันหนึ่งพระเจ้าเสือสเสด็จจะมากราบพระพุทธบาทที่สระบุรีซึ่งก็ต้องอาศัยทางเรือซึ่งพระองค์ก็มากับหานเล็กคนหนึ่งแล้วก็คนจวเรืออยู่นในท้ายเรือมหมานเล็กเ็นผฉลาดซึ่งก็นั่งแบบสบายๆคนจเลเรือก็จเลเรือจนเหงื่อไหลคลายย้อยด้วยความยากลำบาก มาเล็กก็หลับสงกตลอดทางเลยพระเจ้าเรือก็หม่นไส้ดี่ก็รู้ว่าวคนเหมือนกันดี่หว่าคิด อ, อิจฉาว่าพระเจ้าเสือก็รู้แล้วว่านี่คิดอะไรอยู่ไม่ว่าอะไรปล่อยพอพอเรือวิ่งมาอีกพั่งนั้นก็คนเหมือนกันดี่หว่าพระเจ้าเสือก็ ว, วางอุบายว่าจะต้องสั่งสอนในท้ายเรือคนนี้หน่อยเรือก็ เดินทางมาระยะหนึ่งก็มาถึงที่พักชั่วคราวแล้วเสือขึ้นจากเรือเธอินตรงนั้นมีศาลาแล้วข้างล่างมีใต้ถุนมีหมาแม่ลูกออดออกลูกให้ลูเสือก็ใช้ใหมาเล็กเนี่ยไปที่อื่นแล้วก็ให้คนจาวเรือเนี่ยลงเอ็งลงไปดูที่ข้างล่างเสียงอะไรคนจาวเรือก็บุดเข้าไปดูแม่หมาออกลูกพระเจา้าค่ะเห้ลูเสือก็ถามว่ากี่ตัวกมุ้นลงไปดูอีก สี่ตัวพะเจ้าค่ะตัวพระเจ้าเาสือถามว่าตัวผู้ตัวเบียตัวผู้สองตัวเบียสองพะเจ้าค่ะแล้วสีอะไรอ้าวแลคานไปลงไปดูอีกสีดำสองตัวสีขาวสองตัวพระเจ้ค่ะแล้วเสือถามก็ถามคนเจ้าเรือ ว, ว่าแล้วแม่หมาสีอะไรคนเจ้าเรือต้องมุดลงไปอีกแม่หมาสีน้าตาลพะเจ้าค่ะซึ่งต้องมุดลงไปถึงห้าครั้งแปล้วคําตอบเพราะว่าคนเจ้าเรือจะรู้รู้ทุกอย่า ง, างรู้ช้อนหน้าเท่านั้ น, น แล้วเสร็จแล้วพระเจ้าเสือก็เรียกมหมาเล็กมาแล้วก็ให้ลองมาดูที่ข้างล่างมีอะไรมหมาเล็กมาดสิงก็ตอบรวดเดียวจบเลยบอกว่ามีหมาแม่ลูกอ่อนออกลูกตัวสองตัวตัวผู้สองตัวเมียสองสีขาวสองตัวสีดำสองตั ว, ตวแม่หมาสีน้ำตาลคืตอบรวดเดียวหมดโดยโดยพระเจ้าเสือต้องถามแล้วพระเจ้าเสือก็ถามพระเจ้ า, เ, าจเรียวว่าไหนเอ็งบอกว่าคนเหมือนกัน แต่ทําไมเองเข้าไปตั้งห้าครั้งแต่คนคนนี้เข้าไปครั้งเดียวตอบได้หมดเหมือนกันได้ไงซึ่งตอนที่คนจะเจรือเริ่มจำนวนละรู้ว่าไม่เหมือนกันละคนเราในความรู้ความสามารถแตกต่างกันอย่างลูกในมันะมาอยู่ที่นี้หลวงพ่อเชื่อว่าแต่ละคนจะมีพรสวรรค์ไม่เหมือนกันถ้าโตขึ้นนะจะทำงานคนละอย่างบางคนจะทํางานด้านนี้ด้านนูน้นไม่มีใครเหมือนกันหรอกคือชอบไม่เหมือนกัน คือนิทานเรื่องนี้จะสอนมีข้อสอนตรงไหนหรือไงว่าพูลูกเนี่ยอยากเป็นคนจ่าเรืออยากไป็นมหาเล็กลองตอบสิแน่ใจเป็นมห า, เ ล, ล เ, า, เ, มหาเล็กใช้ได้ถ้าเป็นคนจ่าเรือได้ไม่ไหวนะเป็นคนจ่าเรือที่เป็นกรรมกรแน่ไม่มีทางรวยคือมหาเล็กเนี่ยเขาสามารถมองโดยองรวมเก็บรายละเลอียดทุกอย่างในหัวหน้างานเนี่ยมองหัวหน้า ง, งา น, น, ง น, างงานจะต้องเก็บไอ้ที่ขาดเครื่องมืออะไรบ้างมาทําแต่ละอย่างเนี่ยซึ่งถ้าคนคิดไปถึงก็ต้อง เดี๋ยวเดินไปหยิบนุ่นทีเดิยหยิบนุ้นทีอาจจะใช้เวลาหลายครั้งแล้วไม่สามารถมองภาพรวมของงานได้ซึ่งขนาเล็กจะสามารถมองภาพรวมของงานซึ่งลูกเรียนจะต้องจำขนาดเล็กไว้เรื่องทหลวงพ่อเล่าเนี่ยอาจจะมีประโยชน์ลูกเรียนพานาโกเรามองอะไรเนี่ยมองให้ลึกคิดให้กว้างอย่ามองเฉพาะหน้าแล้วเราจะมระความสำเร็จในชีวิตภายข้างหน้าอาจจะข้ามเรื่องเปเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง แต่เป็นเรื่องที่ผู้ลุกเนรกับธรรมจารีมีควรจําไว้เหมือนกันเพราะมีประโยชน์ต่อชีวิตภายภาคหน้าเป็นเรื่องที่เราสามารถทําให้ความทุกข์ต่างๆเนี่ยการเป็นเรื่องเล็กได้ตั้งแต่ฟังหลวงพ่อพูดก็แล้วกันเรื่องหลวงพ่อหลวงปู่ทีเน้อผู้มองโลกในแง่ดีอ่เราจะเริ่มเรื่องกันตั้งใจฟังนะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งว่าหลวงปู่คนหนึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์เลยเพราะท่านมองในโลกในแง่ดีบท ถ้าชอบพูดว่าดีเนาะสําคัญเนาะถ้าทุกทรั้งที่ท่านพูดเนี่ยท่าอยู่ทานอยู่แค่นี้ยเกิด อ, อะไรขึ้นกับท่านมีอยู่มาวันนึ่งมีโยมมานิมนต์ท่านไปฉันอาหารเพนซึโยมก็ลดเสียมาช้าหลวงพ่อคอยแล้วคอยเล่าไม่มาดีก็เลยหลวงพ่อหลวงปู่ดีเนาะแล้วกันเพราะท่านอยู่มากแล้วแล้วเรื่ อ, อ, อหลวงพ่อยังไม่เคยเบาสมหลวงปู่ก็อืโยมไม่มาแล้วเราฉันอาหารกันรอดีกว่า ฉันอาหารก็เราก็ดีเนาะของเราก็ดีเนาะถ้าก็ฉันไปฉันไม่ได้ได้กี่คําโยมชอบรถเสร็จรถก็มาอืมาเร่งหลวงปู่ให้รีบไปหลวงปู่ฉันได้ไม่กี่คำหลวงปู่ก็คิดเสียใจเออเราไปฉันบ้านโยมก็ดีเนาะหักว่าแล้วก็ไปฉันได้ไม่กี่คาพอรถวิง่งไปวิ่งได้สักพักหนึ่งรถก็เสีย อ, อีกรถเสียอ่ะ หลวงปู่ก็บอกว่าอมก็ดีเนาะเราจะได้นั่งชมวิวข้างทางโชเฟอร์ก็ซ่อมรถจนเหนื่อยพักๆหนึ่งก็บอกให้หลวงปู่มาช่วยเข็นซึ่งหลวงปู่ดีเนาะกแก่แล้วหลวงปู่ก็มาช่วยเข็นแล้วหลวงปูก่ก็ก็ดีเนาะเราจะได้ออกอกอลังกายเพราะเราก็ไม่ได้ออกกอลังกายอายุเยอะและ้วอะช่วยเข็นจนรถติดพรถติดเนี่ยก็มาบ้านเงนบ้านที่ เจ้าภาพอ่ะนิมนต์มาฉันแต่เกินเวลาเลยเที่ยงเที่ยงกว่าแล้วพักอาฉันไม่ได้แล้วเจ้าภาพก็ร้อนลนก็เลยหลวงปู่ตกลงหลวงปู่ดีร อ, อดฉันวันนั้นแ ล, แล้วรีบให้หลวงปู่เนี่ยแสดงธรรมหลวงปู่ดีรอด ก, ก็คิดจะก็พูดว่าก็ดีเนาะมาถึงได้ทํางานทันทีพอหลวงปู่ดีรอดแสดงธรรมจบแล้ว โยมก็ชงกาแฟมาให้หลวงปู่รับประทานแต่เพอเอเนี่ยด้วยความที่ร้อนหยิบมันมีกระปุกเกลือกับน้ำตาลอยู่ ใ, ใกล้กันไปหยิบผิดไปหยิบกระปุกเกลือหลวงพ่อหลวงปู่นีเนาะฉันกาแฟใส่เกลือเข้าไปก็บอกเอ้อก็ดีเนาะเราฉันกาแฟหวานมากๆแล้ววันนี้วันนี้ฉันกาแฟเค็มบ้าง เป็หลวงปู่ท่านมรโลกในแง่ายดีหมดหลวงปู่เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังจะเป็นลูกศิษย์ลูกหานักถือมากก็เป็นลูกศิษย์เนี่ยหลวงปู่ฉันกาแฟไปหน่อยนึงก็จะเหลือครึ่งแก้วลูกศิษย์ก็มาขอฉันต่อก็ถือว่าเป็นมงคลได้ฉันของครูบาอาจารย์พอลูกศิษย์ฉันลูกศิษย์เอาแก้วกาแฟมารับประทานเนี่ยก็ค้นออกมาเลยหลวงปู่ฉันไม่ได้ไงเนี่ยเคมปี หลวงปูก่ก็ก็ดีน้องเราฉันกาแฟหวานๆม า, มานานแล้วได้ฉัได้เปลี่ยนรสชาติบ้างซึ่งเรื่องไม่อยุดอีกเรื่องหลวงปู่เนี่ยสามารถทําทุกเรื่องเน่ยที่ขัดใจให้เป็นเรื่องถูกใจได้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอยู่ครั้งเดิมหลวงปู่ดิโนเดินยปวิสบาบเจอเด็กเล่นกันเด็กกำลงังโซนเลยวัยเท่าคุณลูกเนี่ยแหละเอาหินเปรี้ยงกันเพินเปรียงมาโดนหน้าผาหลวงปู่ หลวงปู่เลยหัวแตกหน้าผากแตกเลยเลื่อดไหลหลวงปู่ก็บอกว่าก็ดีเนาะที่ตาไม่โดนตาตาไม่บอดโยมเขาก็ด่าเด็กไปแล้วก็มารักษาแผลหลวงปู่ไปหลวงปู่ก็ไม่ไม่ว่าอะไรเด็กเลยออก็ว่าก็ดีเนาะแค่ดีเนาะตลอดอยู่ครั้งหนึ่งโยมสามีตายตัวบอกว่าสามีโยมตายหลวงปู่หลวงปู่ฟังท่านพูดพูดดีเนาะบ่อยท่านก็บอกว่าสามีโยมตายก็ดีเนาะ โยมโกรธหลวงปู่มากบอกหลวงปู่จะบ้าเหรอสามีฉันตายพอดีเนาะอะไรหลวงปู่ดีเนาะ ก, ก็บอกว่าบ้าก็ดีเนาะคือคือคนเขาว่าหลวงปู่บ้าหลวงปู่ก็ว่าดีเนาะหลวงปู่มองโลกในแง่ดีหมดแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยมีโจรซึ่งโจรเนี่ยโหดเหี้ยมมาก ปนข้ามาหลายหมู่บ้านแล้วได้ขึ้นมาบนสุนหลวงปู่หลวงปู่เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังก็มีคนมาถวายของเยอะซึ่งล่อตาล่อใจอยู่ของโจน่ะโจนก็สืบแล้วว่าหลวงปู่มคงมีทรัพย์สมบัติให้มันปนแน่ขึ้นมาก็คมปู่หลวงปูงป่เลยคือ อ, อือาปืนจิอปนหอองลว ง, งปู่มีขออะไรส่งมาให้หมด หลวงปู่ก็บอกก็ดีเนาะข้าเน่ยเฝ้าสมบัติมานานแล้วเองช่วยขนขนปภายไพ่รักาบ่ายนั่งเฝ้าโ oh <my. S 1> จมันก็บอกไม่ใช่แค่นั้นนะต้องฆ่าหลวงปู่ด้วยเพราะว่าผิดปากเจ้าทรัพย์เดี๋ยวหลวงปู่จาหน้ามันได้หลวงปู่ก็บอกว่าก็ดีเนาะข้าเนี่ยแก่แล้วเบื่อร่างกายที่จังทีแล้วต้องดูแลรักษาโจมันก็ฟังแล้วเออหลวงปู่ได้เอาไงนะ่ะเกิดใจอ่อนไม่ฆ่าก็ได้ เอาไม่ฆ right, ่าปุ๊บหลวงปู่ดีนอก็บอกก็ดีเนะเอา้าเมื่อกี้ฆ่าก็ดีนอไม่ฆ่านี้อหลวงปู่จะเอาไงหลวงปู่ก็บอกว่าเองไม่ฆ่าฆ่าเนี่ยเองก็ไม่ต้องรับบาสรับกรรมถ้าเกิดเองฆ่าฆ่าเนี่ยตำรวจก็ต้องตามจับเองแล้วเ อ, อ, อวิสามันฆาตกรรมเองด้วยแล้วตายไปแล้วตกนรกอีก ต้องรับกรรมในชาตินี้แล้วก็ชาติชาติหน้าชาติต่อไปไม่สิ้นสุดซึ่งโจรได้ฟังก็ใจอ่อนก็เลยเลไม่ปนหลวงปู่เลยเลิกปนพลิกจากร้ายกลายเป็นดีได้เพราะความคิดดีน่าของหลวงปู่เลยแล้วต่อมาภายหลังโจรคนนี้ก็กลับใจติดคุกออกมาก็มาบวชกับหลวงปู่มาเรียนกรรมฐานเป็นคนดีแล้วลูกศิษย์ของหลวงปู่มีอยู่คนหนึ่งที่ว่าเกเรโดนตำรวจจับไปติดคุก หลวงปู่ก็ว่าดีเนาะมันจะได้ท่านักศึกษาชีวิตได้คุกมั่งอันนี้ไม่ใช่คุกนะอันนี้เป็นเรื่องจริงหลวงปู่ดีนอดเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีคือหลวงปู่ดีนอดเนี่ยเป็นเจ้าคูณชั้นเทพชื่อพระเทพพิสุทธาจารย์อย่วัดวัด เัจิวาวาดอําเภอเมืองจังหวัดอุดรหลวงปู่ยนร์เนี่ยอายุตอนบรรพพาปต่ออายุ98ปีเกิด2 2415มรรภาพปี2513อายุ98ปี76มิ <c oughs> ถุนาน้าเป็นพระเกจิชื่อดังของจังวัดอุดรมีคนนําหน้าถือตามากแล้วก็โจทย์จันร์กัน แต่ถ้าไปเรียกชื่อจริงๆที่เจ้ า, จาคุณพิสูจน์ที่ทาจาร์เนี่ยจะมีใครรู้จักแต่ถ้าบอกหลวงปู่ดีเนาะเนี่ยเขรู้จักกันหมดทั้งบุรเลยถ้าแนนจับเรื่องนี้ได้ในชีวิตภายบ้างหน้าเกิด อ, อะไรขึ้นพวกเนนก็บอกว่าดีเนาะเราโดนพ่อแม่ตีเราบอกดีเนาะโดยครูตีบอกดีเนาะขอหายก็ดีเนาะคือเกิดเรื่องร้ายทุกชีนี้ก็บอกดีเนาะชีวิตเราเนี่ยจากหนักก็จะกลายเป็นเบา แต่ถ้าพวกโยมไอ้พวกเนยไม่ดีเนาะเนี่ยทุกเรื่องคือเรื่องจริงทุกน้อยจะกลายเป็นทุกมากทุกมากก็กลายเป็นทุกกรโหรานคือหลวง ป, ปู่ดิเนาะเนี่ยมองโลกในแง่บวกเรื่องนี้มีแง่คิดรวกลูกเนเนี่ยจำหลวง ป, ปู่ดิเนาะไว้จําไว้ก่อนแล้วละกันอาจจะมีประโยชน์ในภายภาคหน้าซึ่งลูกหลวงปู่ดินาะเขาจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหลวงหลวงพ่อจะเล่าเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปเรื่องกบฟุ้สร้านอ่านตั้งใจฟัง มีกบอยู่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในวัดแห่งหนึง่งกบตัวนี้เป็นกบอยู่วัดทุกเช้าจะสังเกตเห็นพระมีบิดาบาก ท, ทุกเช้าวันแล้ววันเล่ากบก็มีความสุขว่าอยากเป็นพระมั่งเพราะว่าเห็นเห็นพระเนี่ยได้อาหารนาเต็มเลยแล้วก็สบายมีคนใส่บาตรให้กบก็อยากเป็นพระพอกบอยากเป็นพระปุ๊บแล้วก็สักพักนึงเนี่ย พอพระฉันอาหารเสร็จก็เอาข้าวเลยโปรให้ไก่ในวัดกินไก่ก็มารุมจิ ก, กินกันอย่างมีความสุขกรกก็มีความสุกเอ๊ะเป็นพระไปบินอบาตมาต้องเหนื่อยนะสู้ไก่ไม่ได้ไก่ไม่ต้องทาอะไรถึงเวลาก็มีพระเอาข้าวมาให้กินเปลี่ยนใจแล้เป็นไก่ดีกว่าพอเป็นไก่ลากินะเห็นไก่กินอาหารเพลิสักพักหนึ่งมีหมาเจ้าถิ่นมาไล่หมาแย่งอาหารไก่ ไก่ที่วงแตแะเลยกระจายกบก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นไก่คู่หมาไม่ได้เป็นหมาดีกว่าไก่ตัวหมาต้องหนีหมาแล้วเก็ด เ, เราเป็นหมาดีกว่าตอนนี้คิดเป็นหมาแล้วพคิดเป็นหมาได้สักพักหนึ่งเด็กวัดรู้สึกหันไส้หมามานานเห็นหมาไปไล่ไก่ก็เลยถือไม้ไปไล่ตีหมาหมาล็อกเอง็งเอง็งเอง็งเอง็งตอนนั้นเราตากบอ่ะ กบก็ไปความสว่าเอมะมาสู้คนไม่ได้นี่ขนาดเด็กตัวขนาดนี้นะถ้าโตขึ้นขนาดไหนเราเกือบเป็นคนดีกว่าเป็นคนนี่ยังไงก็มั่นใจได้ปลอดภยัยไม่มีใครรังแกเด็กวัดพอไล่หมาสัพา ก, ก็เหนื่อยก็มานั่งหอบหายใจสัพพากนันก็มีแมงวันอยู่ตัวหนึ่งมแมลงวันก็มาตอมหน้าตอมตาตอมหัวเด็กวัดปัดเท่าไหร่ก็ไม่โดนเพราะมันเร็วมากแมงวันเด็กวัดหนีเลยสู้ไ ว, ไว้ไหว เจ้ากบเนี่ยเห็นเด็กว่าแพ้แบงกวันเป็นบางกวานดีกว่า เ, เด็กสู้แบงวันไม่ได้แล้วพอเออเจ้ากาไม่แบงกวันตัวนั้นเน่ะมันก็บินไปบินมาไม่รู้บินท่าไหนมาบินอยู่ ใ, ใกล้ๆกบเจ้ากบเนี่ยมีฉายาอย่างสวัดลินแพรกเสือแบงกวันเข้าปากเลยกินแบบไปทุกตัวเลยเจ้ากบก็เลยมีความปิ้งขึ้นมาว่าเอ๊ะเป็นไรกั ส, สู้เป็นกูไม่ได้เป็นกบดีกว่าเพราะว่าแบางวันก็เสร็จกบทิทฐาเรื่องนี้ก็มีข้อสอนนะเราต้องดีๆในความ มีความเป็นตัวเองอย่างพวกลูกเนยะมีคนมาแลกชีวิตมีเศรษฐีมาแลกชีวิตเรายอมไหมไม่ไ ม, ไม่ยอมไม่ทายยอมนะมาขอซื้อตาลูกตาเราหนึ่งล้านนะยอมขายไหมไม่นะซื้อแขนข้างหนึ่งให้ห้าล้านเห็นไหมทุกคนต้องรักตัวเองแล้วเราพอใจในศักยภาพของเราเองแล้วเราโตไปเราต้องเรียนรู้ฝึกฝนถ้าลูกเนไม่อยากฝึกฝนนะลูกเนยโตเพื่ออา่จะเป็นคนเจ้าเรือก็ได้อย่างที่หลวงพ่อเล่าซึ่ง คนเราสามารถพัฒนาได้ทุกคนมีอนาคตหมดแต่ถ้าเราเป็นเด็กดือ้อไม่รักการศึกษาโตขึ้นเราก็ลำบากนะพมากินก็แย่คนเราต้องมีความกระดาอยู่ลูกคุณพ่อแม่เด็กดีมีห้าจำพวกจำพวกที่หนึ่งเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่จำพวกที่สองเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์จำพวกที่สามเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน จากพวกที่สี่เป็นพลเมืองที่ดีของชาติจะกพวกที่ห้าเป็นเป็นในนี่เป็ น, ป น, ปนผู้ศาสนาที่ดีของศาสดาถห้จากพวกเนี้ยผู้ลูกเรนต้องจําไว้แต่ข้อแรกสําคัญมากถ้าพู้ลูกเออาการนกระดายูเนี่ยเราทำมาหากินก็นไม่เจริญละบุญคุณพ่อแม่เราทำใหพ่อแม่มีความสุขคนกระดานยูเนี่ยเอาตัวรอดสอนมีความรู้แค่ไหนถ้าเราไม่มีความกระดายูเนี่ยภาย้างหน้าลำบากฟ้าดินก็ลงโทษ ด, ด้วยธมากินก็นไม่เจริญ คนกันยูุตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เทวดาคุ้นคลองลเราต้องเป็นเด็กดีมีความกันยูต่อพ่อแม่กันยูดกศูบาอาจารย์แล้วก็รักเพื่อนเห็ในใจเพื่อนแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีของชาติด้วยแล้วก็เป็นเป็นเนี่ยเป็นสาวกพิธีของภระสารดารก็ตั้งใจศึกษาฟังธรรมเข้าวัดเข้าวาทําความดีไม่บิดเบียนสัตว์ให้ทาน มีศีลธรรมพวกศีลห้าเนี่ยพวกเนยนอย่าทิ้งนะเพราะถ้าพวกเนยไม่มีศีลห้าเนี่ยลําบากศีลห้าข้อเนี่ยจําเป็นมากศีลข้อแรกเนี่ยประกันชีวิตข้อที่สองประกรันประกันทัพย์สินข้อที่สามประกรันครอบครัวข้อที่สี่ประกันสังคมข้อที่ห้าประกันสุขภาพซึ่งผก อ, อาจจะไม่พูดรยายละเอียดให้ลูกเ น, นฟังหรอกแบบว่าให้ลูกเนยนไปไอ้นั่นเอาเองเดี๋ยวให้ผู้พี่เลี้ยงบอกต่อเพราะตอนนี้เวลาหมดแล้ว คือว่าหลวงพ่อรับมาพูดขึ้นชั่วโมงนี่ก็พูดสรพยาละศมาครึ่งชั่วโมงพอดีเดี๋ยวปิดท้ายให้ลูกเรียนฟังกรของหลวงพ่อพุทธทาสกอนเองกอนบุคคลกระดัญญูรู้คุณโลกนี่นกนที่หลวงพ่อพุทธทาสแต่งไว้เพื่อคนกระดัญญูเพราะว่าโลกเราเนี่ยมีบุคคลกับเราพวกลูกเรียนอย่าลืมนะว่าเราเนี่ยอาศัยโลกนี้อยู่กินข้าวของโลกพักโลกพักอยู่ในโลกใช้ทรัพยากรของโลกเราตอบแทนดีคุณโลก เราเนี่ยเวลาทิ้งขยะเนี่ยเราอย่าทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางเราจะทิ้งให้เรียบร้อยอันนี้คือการตอบแทนบุคคลโลกอย่า ง, งละไม่ให้โลกสกปรกแล้วก็ช่วยฝาดเก็บขยะให้ดูสวยงามสะอาดตาอันนี้เราก็ตอบแทนบุคคลโลกแล้วแล้วก็ช่วยดูแลทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ต่างๆไม่ให้ถูกทำลายอันนี้ก็ถือว่าตอบแทนบุคคลโลกเราก็เป็นเด็กดี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 มองให้ดีดูให้เห็นเช่นนั้นท้ายโลกรอดได้เพราะกระดานอยู่รู้คุณกันประเทศชาติาศาสนามหากษัตริย์รวมเป็นอัตลักไทยใหญ่มหันรอดมาได้เพราะรักไทยอยากผูพันเพราะกระดานอยู่มีที่ใจเอ่ยขอความสุขความเจริญจงมีแต่ลูกเนรและภรรบัจรีทุกท่านข อ, อเฉวังในรายการชนี้ at uh all. -huh.